บุ๊ทูยี่สิบหกบิสตเชชธรรมชาติดาร์ทบิอัตคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับอันบรจรอันจอมีบีนี้คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ คุณเห็ น, น, นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับผมชอบนกตัวนั้น ا آ ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น ا آ ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Sang, am, me, ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น از آن پارک ค و าม می آید อยผมชอบสวนนั้น از آن ب ا g ค و าม می آید อยผมชอบดอกไม้นี้ as in g o l คชื่มออกย ผมว่านั่นมันสวยบ e n a z a r e m a n on the best ผมว่านั่นมันน่าสนใจ b e n a z a r มัน n on the b บัสผมว่านั่นมันงดงามเ Benazareman on the best ผมว่านั่นมันน่าเกลียด ب ه ن ظ ر م ن آن زشت است. پم وان ن م ن نا ب ه ا ب ن ظ ر م ن آن کسل کننده است. پم وان ن م ن یه. ب ه ن ظ ر م ن آن وحشتناک است.